ขอกรณ น, นมนสดกการหลวงพ่อแล้วก็ท่านอาจารย์ภัยแล้วก็สวัสดีคุณหมอทิพรวรรณแล้วก็พี่ตุ้มซึ่งเป็นผู้ใหม่สำหรับวีรีทีคอร์สนี้นะคะแล้วก็คุณพิมพา์าก็ไม่มี ก็เหมือนทุกๆครั้งอนะที่รีทวิตนะพอนั่นเราก็มาแชร์ประสบการณ์กันคุยกันแต่ตอนที่เวลาจะมาพูดนี่บางครั้งมันก็นึกไม่ออกนะแต่ตอนขณะปฏิบัตินี่มันอยากจะพูดมันอยากจะคุยทั้งคนปฏิบัติและคนที่มาทั้งเก่าทั้งใหม่เลยล่ะไอตัวนี้ล่ะอุปสรรคแต่ว่าก็วันนี้ไป ซื้อของกับหลวงพ่อได้กล้องใหม่มาเพราะว่ากล้องเดิมนี่มันหมดล น, น้าภาพไปะล่าก็นั่งรถมาก็ปรารถนาท่านว่าหน้าหนาวเดือนกุมพานี่เป็นปีที่ปีศูนย์เจ็ดครั้งแรกที่พบท่านกับคณะแล้วก็ได้ไปปฏิบัติกันที่บ้านคุณหมอสุธิวราครั้งแรกเลยวันที่เก้ากุมาพาน ปีนะูนย์เจ็ดะฮะสองพันเจ็ดจนปัจจุบันนี้สองพันสิบเอ็ดก็ย่างขึ้นปีที่สี่อะจะว่านานมันก็ไม่นานจะว่ามันจะไม่นานมันก็นานแต่ตั้งแต่ปฏิบัติคราวนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งหลวงพ่อทั้งก็เรียนว่าประโยชน์ที่เราได้รับและเราจะแบ่งปันส่งเสริมเกื้อกูล ก, การปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนนี้อย่างไรก็ได้มาเห็นจุดตรงนี้เพราะว่าตัวเองตั้งแต่ศูนย์เจ็ดะะมาเนี่ยคือว่าเป็นจนปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปมันแตกต่างไปทั้งความเป็นอยู่ มันก็เห็นได้ชัดกับคนรอบข้างแม้แม้กระทั่งพ่อบ้านนะเขาก็เห็นเรามีความสุขเห็นเราแบบเป็นคนสุขุมเยือกเย็ยนขึ้นเขาก็ดีใจทุกครั้งนะที่เราไปปฏิบัติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่แรกๆก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ไม่เข้าใจแล้วก็แก้ไขไปจนระยะหนึ่งมันก็ลงตัวนะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน ปฏิบัติที่ได้ผลครั้งแรกนี่มันจะแบบว่ามันคือเราพือตัวเองไปปฏิบัตินี่ไม่คิดว่าจะไปทำอะไรจะได้อะไรจะเอาอะไรแต่ว่ามีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าต้องมีอะไรดีในการกระทำนี้เพราะว่าเห็นรูป กลุ่มคณะที่ท่านไปปฏิบัติมาท่านมาใช้หนังวาซีดีให้ดูเนี่ยก็มีแต่คนที่มีความรู้มีปัญญาทั้งนั้นที่เข้ามาปฏิบัติมาสร้างจังหวะเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทำไมเข้าถึงมาปฏิบัติแล้วเข้าได้อะไรมันก็อยากพิสูจน์นะอยากจะลองดูก็ไปปฏิบัติครั้งแรกที่ บ้านคุณหมอสุทธิวรานี่ก็ก็ไม่นานนะใช้เวลาแค่สองวันนะเข้าใจเรื่องรูปนามแต่ตอนที่เข้าใจรูปนามนี่ตัวเราจะไม่รู้เลยแต่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านผ่านมาก่อนเนี่ยท่านจะท่านจะเข้าใจและท่านจะทราบดีแต่ตอนที่เราสัมผัสรูปนามครั้งแรกนี่เราจะไม่รู้หรอกอะไรเป็นอะไรแต่เราบอกอาการที่เราเป็นให้ท่านฟังท่านก็รู้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเอง รู้ด้วยซ้ำไปพอถึงพอจนผ่านพ้นไปก็ประสบะการณ์ครั้งแรกนี่มันมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะแต่ถ้าจะเล่าวันนี้มันก็คงยาวไปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้คนอื่นพูดต่อไปอีก ก็จะใช้เวลาที่สำคัญนี้น ะ, ะพูดให้มันรว่วรัดขึ้นพอประสบะการณ์ที่ไม่เคยได้พบในชีวิตเลย mm. ก็แบบว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคือเกิดความกลัวไม่ใช่ไปกลัวอะไรนะกลัวบาป กลัวมากเลยเพราะไปเห็นเห็นแล้วว่ า, าเวลาเราตกนรกนี่มันเป็นอย่างนี้เองจิตมันมันมันขุ่นมัวมันเศร้าหมองมันไม่สดใสแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์ตัวนี้ตลอดเลยพอครั้งแรกพอปฏิบัตินี่พอได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ๆในชีวิตของเราเราก็คิดว่าทางนี้ลหละถ้าเราจะ เอาสิ่งที่เศร้ามองมืดมืดมนในจิตใจเราออกไปขนาดเราปฏิบัติแค่นี้เรายังได้แค่นี้ถ้าเราปฏิบัติไปอีกเราก็คงจะเห็นมากได้ศึกษามากไปกว่านี้ก็พอตอนนั้นท่านก็กลับเมืองกลับเมืองไทยนะฮะกลับเมืองไทยพอเดือนมิอ่าน กุมบมีนาท่านไม่อยู่ทั้งกับงเมืองไทยก็ไปที่เวกัสเองเลยนะฮะไปแต่ลูกศิษย์ท่านสอนอยู่ที่นั่นก็เรียนถามท่านบอกว่าจะมาปฏิบัติท่านจะเป็นไปได้ไหมท่านก็บอกมาเลยก็เลยไปปฏิบัติพอครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เจอประสบะการณ์อีกอย่างหนึ่งในชีวิตที่ไม่เคย ที่ไม่เคยได้ประสบการณ์จากที่ไหนมาก่อนเลยแต่ประสบการณ์อันนี้มันต้องเกิดขึ้นเฉพาะตัวเราเองเพราะว่าแต่ละคนปฏิบัติไปเราจะเจอจะพบจะเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะแต่กทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นทางที่จะให้จิตใจเรา ชำระจิตใจเราให้ผ่องใสให้สะอาดให้หมดจดไม่มีความเศร้าหมองมืดมนในดวงใจมันจะเข้าถึงจุดนี้ด้วยกันทุกคนและจากที่ลัสเวกัสก็กลับมานะคก็มาทำอยู่ที่บ้านเวลาอะไรคือก่อนที่ท่านจะกลับท่านก็ย้ำนะว่าความต่อเนื่องเนี่ยเป็นความสำคัญมากในการปฏิบัตินะ เพราะว่าเวลาท่านจากไปแล้วเราต้องเป็นครูบาอาจารย์ให้ตัวเราเองเราต้องมีความแยกคายคือว่าต้องความแยกคายมันก็แยกไปได้หลายลักษณะความต่อเนื่องก็แล้วมันก็แยกไปอีกหลายลักษณะตามแต่ผู้ที่ได้ฟังมาจะคิดแยกออกไปในความเข้าใจของตัวเองแต่ความต่อเนื่องนะฮะในประสบการณ์ที่ได้ไปมา ปฏิบัติมาเนี่ยได้ฟังทุกทุกท่านพูดนะคะก็เข้าใจไปคนละอย่างแต่ต่อเนื่องของดิชันนี่คิดว่าเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยนะท่านเคยบอกว่าทำอะไรให้มีสติอยู่กับการกับงานแล้วมันจะทำได้หรือเราทำงานแต่ความที่ท่านบอกว่า ได้นะเราก็ฝึกตอนแรกมันก็ไม่ได้อะตอนแรกมันก็นพลาดพลั้งไปเผลอไปเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะเราเป็นคนใหม่เราศึกษาในสิ่งที่ใหม่ๆ ใ, ในชีวิตเราที่เราไม่เคยได้ศึกษาถ้าคิดว่าอย่างอื่นเราก็ทํามาหมดแล้วอ่ะมีอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ทําแล้วเราก็ทําไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราจะมาทิ้งง่ายๆมันก็มันเก็จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทาง ก็การต่อเนื่องเนี่ยพอกลับมาบ้านนะเวลาเข้าห้องน้ำลุกจากเตียงอะไรเนี่ยมีสติตลอดเลยกาหนดตลอดเลยว่าเราทำอะไรอยู่มันต่างกับสมัยที่เรายังไม่ได้มาเจริญสตินะเวลาเราลุกเราเดินเรานั่งแล้วพูดพาดไม่มีสติอยากพูดอะไรพูดอยากเดินเรืแล้วบางคนอาจจะ เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วจะทํายังไงเราอยู่ในโลกก็ต้องเดินยืนนั่งนอนต้องทําอะไรเร็วๆช่าอยู่ตอนนั้นน่ะขณะนี้เราปฏิบัติอยู่เราฝึกอยู่แต่ในชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นพอเราฝึกได้ละระยะหนึ่งให้ตัวสตินี้ตั้งมั่นจริงๆมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะไม่ขัดมันจะไม่ขัดแย้งกันมันจะทําด้วยความแบบ สมูิแบบไปของมันเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจดจดจ้องจ้องเหมือนตอนที่เรานะสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนเราสวดคืนนี้นะ่ยกายในกายหมวดกายในกายเนี่ยสำคัญมากนะฮะถ้ากายในกายเรายังไม่ชัดเจนเราจะไปเห็นจิตไม่ได้จะไปดูใจไม่ได้เพราะว่า ใจมันไม่มีตัวไม่มีตนให้เราเห็นเราจะจับมาให้เขาบาดูได้อย่างไรเนี่ยแต่เราสามารถพูดได้แต่เราทำได้หรือเปล่าข้อนี้สาคัญมากกายกายานุ ป, ปัสสนานุปัสสติสถานเนี่ยสาคัญมากนะการยืนการกินการเคี้ยวอะไรกำหนดมันผิดพลาพไม่เป็นไรเพ้อไปไม่เป็นไรทำอีกทำอยู่อย่างนั้นแหละ ที่ความคิดเราอ่ะเราไม่อยากทํำนะมันก็คิดที่อยากจะหยุดมันหยุดไม่ได้อ่าแต่พอเรื่องที่เราอยากลืมมันไม่ลืมแต่เรื่องที่เราอยากจํามันไม่จําตัวนี้อ่ะสำคัญนะพอดูกายนะครั้งแรกที่กําหนดกายในกายอยู่เนะี่ยครูบาอาจารย์นั่นบอกกลับไปบ้านต้องดูกายในกายนะเราก็ยังไม่ถามท่านเอ้กายมันก็คงกายเราเนี่ยแหละนะอะ ทำยังไงเราก็กําหนดเดินก็รู้แล้วก็ทําอย่างที่ท่านบอกสามวันแค่นั้นไม่เห็นอะไรเลยเห็นกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนตลอดเลยโอ้มันมันเป็นประสบะการณ์ที่แบบว่าเราต้องต้องเป็นครูสอนเราให้ได้นะสอนเราคือว่าเราเราต้องเนี่ยทําสิ่งที่เรา ได้ฝึกฝนมาครั้นี้คุณพี่ตุ้มกับคุณหมอก็มีเวลาสองวันเนี่ยสองวันนี่เราก็ที่เห็นนะคก็ได้ได้ได้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่มาทำเพราะผลที่จะได้นี่มันมาหาศาลมากมายอย่างนิชทานทำมาเนี่นะตอนแรกมันก็ท้อนะมันเบือ่อมันหนายมันมีทุกอารมณ์พวกคนเรานะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมาศึกษาวิปัสสนาเนี่นะ มันจะไปเกี่ยวอะไรกับความทุกข์ความยากมันจะช่วยอะไรได้วิปั ส, สนาเนี่ยโอโวิปัสสนานี่เป็นชีวิตเลยนะเป็นชีวิตของมนุษย์ที่คนที่ต้องต้องต้องทาต้องศึกษาและปฏิบัติให้ได้ให้เห็นผลได้ตัวเองให้เกิดกับตัวเองแล้วเราจะจิตใจเราจะยอมรับแล้วพอยอมรับแล้วเรามีประสบะการณ์แล้วเราจะ ไปพูดที่ไหนไปคุยให้ใครฟังนะมันก็เป็นเหมือนเดิมสิ่งเดียวไม่แปรผันไม่ต้องจดไม่ต้องจำมันอยู่ในชีวิตในจิตใจเราเลยนะไปปฏิบัติกรหลวงพ่อนะทอ้ทอทอ้อท้อหลายครั้งอาจจะถอยหลายครั้งแต่ว่ามันก็มีอะไรให้เราดึงเรากลับมาอีกนะแบบว่ามันมันไม่หยุดอะคือมันทำแนละ้วมันมัน คิดว่ามันต้องมีอะไรดีที่เรายังไปไม่ถึงนะเพราะตะช่วงนั้นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ตัวเองนะเพราะว่ามันติดอารมณ์อยู่มากเลยนะหลวงพ่อท่านก็สอนทั้งทางอ้อมทั้งตรงทั้งขูทั้งลูกอ่อนลูกอะไรนะสารพัดท่านพยายามสอนเราทั้งทางตรงทางอ้อมนะฮะเราก็ มีมีความเชื่อมั่นมีความว่าเนี่ยทางนี้แหละที่จะทำให้เรามีความสงบขึ้นเรียนรู้จากเรียนรู้ชีวิตของเราอยาีนตัวต่างๆเข้านะสการะสการวิธีแก้ดีวอ น, นี่นะนวนที่เมื่อคืนท่านอาจารย์อภัยก็พูดถึงนะดีวอนเนี่ย ตัวนี้แล้วนะนิวรณห้าเนี่ยสําคัญมากนะถ้าเราผ่านด่านนี้ไปได้นี่นะโอ้มันมันเป็นอุปสรรคแรกเลยที่จะทําให้คนถอยไม่กล้าเดินทางต่อไปนะดิฉันตอนปฏิบัตินิวร น, นี่โอ้ตัวง่วงนี่มาเลยมาเลยนะเราก็ไม่อยู่เฉยก็ไปเรียนท่านนะบอกว่าโอ้โ ง, ง่งงจนชนิดว่าแก้อย่างไรก็ไม่หายนะง่วงท่านก็บอกว่าเดินถอยหลังสิก็เดินถอยหลังก็ช่วย ช่วยไปสักระยะหนึ่งนะคะมันก็กลับมาอีกนะคะตัวนิวรเนี่ยยิ่งหนักกว่าเก่าอีกทำไงนะมันก็ไม่หายตอนนั้นหน้าหนาวเป็นนั่งอยู่ข้างนอกเลยไม่มีเสื้อหนาวนะเอาดูซิถ้ามันหนาวๆนี่มันจะหายหมมันจะความห่วงมันจะหายมหมมันก็หายอยู่นะหายอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาอีกมาอีกก็อะไปเดินไปทำอะไรสักพักพอมันทนไม่ได้จริงจริง คราวนี้นะเอาหนักเล ย, ไ ม, ยมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมถอยเหมือนกันนะคะไปอาบน้ำอาบน้ำเย็นด้วยฮะหน้าหนาวเนี่ยดูซิมันจะง่วงอีกมะเออมันตื่นมันไม่ง่วงนะมันก็ช่วยได้มันก็อย่างเงี้ยมันก็มีวิธีแก้ของมันแต่ไม่ต้องเอาแบบอย่างก็ได้นะไม่ได้อาบน้ำเย็นเดี๋ยวจะเป็นไข้หวัดซะก่อนนะแต่ถ้าอยากพิสูก็ไม่เป็นไรก็พอนิวร์ตัวนี้นะค <c oughs> ตัวหนักหรือตัวง่วงพอผ่านตัวง่วงไปได้เราแก้ได้หลายครั้งนะความที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นมันก็ไม่ค่อยมารบกวนเราแต่ก็ยังมีอยู่นะมันก็มาแต่เรารู้ทันมันนะคือเมื่อก่อนที่พอมันมาปุ๊บมันเป็นเราทันทีแล้วเราก็นั่งแช่ง่วงให้มันเนื้อนะพอแก้ไม่ตกมันเป็นมากไปแล้วเราไม่รู้จักมันมาตอนมันมาเราไม่เห็นสติปัญญาเรายังไม่เกิดมันก็ไม่ทันเนี่ยช่วงเนี้ย ถึงเป็นช่วงที่สำคัญเราต้องอาศัยคนที่เขามีประสบการณ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านเมื่อก่อนนะแต่ตัวลังเลสงสัยนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหานะตัวง่วงกับไม่รู้จะว่าตัวอะไรนะเคยเคยคิดนะบอกว่าวันสองวันสุดท้ายนะตอนที่ปฏิบัติครั้งแรกนะโทรกลับมาที่บ้านพ่อบ้านเนี่ยบอกว่า ช่วยโทรกลับมาที่นี่หน่อยนะแล้วบอกว่าเธอมีธุระด่วให้ฉันกลับนะกลับบ้านเนี่ยตัวเนี่ยมไม่รู้วิวนอะไรฮะหลวงพอ่อมันเรียกกลับบ้านเนะี่ยเสร็จแล้วก็ก็เลยบอกว่าโทรมาหน่อยนัดมันจะได้ดูดีหน่อยว่าเธอโทรมาจริงนะแล้วจะได้เรียนท่านว่าเราต้องมีธุระจะไปพอเข้าไปพอโทรเสร็จข้างนอกนะคะก็เดินเข้าไปในบ้านที่เพื่อนกําลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ย พอเข้าไปเห็นเพื่อนเข้านั่งปฏิบัติกันนะเรารู้สึกแบบเกิดความละอายใจอ่ะนะโอ้เขาก็ทุกเหมือนเราเขาก็เหนื่อยเขาก็หิวเขาก็เบื่อเขาก็เซ็งเหมือนเราแล้วเราจะหนีเขา้าไปได้ยังไงอะเราไม่เห็นแก่ตัวเกินไปเหรือโอ้เกิดความละอายแก่ใจก็เลยออกไปข้างนอกอีกนะคะไปโทรให้พ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องมาแล้วห้ามโทรนะทีนี้เขาก็ไม่โทรมาอีกนะก็ผ่านไปนะตัวนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายนะ ไปอีกค่ะไปอยู่เรื่อยเลยไปปฏิบัตินะีตัวนี้ละ่ะมันอยากจะกลับบ้านมันคิดมันฟุ้งไปหมดเลยนะคะแต่ก็อดทนเอาทนอยู่ทนทำทนอยู่ทนไปอย่างนั้นนะจนวันหนึ่งความทนของเรานะมันมันเป็นมันเกิดคิดว่าเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจแล้วก็ มันการปฏิบัติก็ได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงที่ผานิวรไปได้นี่น ะ, ะมันไปติดวิปัสสุตอนติดวิปัสสุนี่โอโ้ต้องไปอยู่เมืองไทยนะไปจำพรรษาที่ต่างจังหวัดที่วัดหนึ่งที่เมืองไทยกับหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมอีกสามสี่คนนะตอนนั้นติดวิปัสสุณมากเลยแต่วิปัสสุนี่มัน มันรู้นะมันพูดได้หมดนะแต่ว่ามันร้อนรนอ่ะมันไม่เย็นมันไม่สงบมันเหมือนจะทําจะทําจะทําวิ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าธรรมะนี่พูดได้ดีมากเลยรู้เข้าใจหมดนะคะขนาดไปจำพรรษาที่วัดนี้นะคะโอ้โหเราไปเห็นบางทีพระท่านบางองค์บางท่านนี่นะมันไม่ถูกใจอ่ะท่านทําอะไรมันมันไม่ถูกหูถูกตานะบอกออืถ้าได้จับไม้เมื่อไหร่นะพระวัดนี้นะคอยดู หลวงหลวงลงพ่อท่านก็คงเห็นจุดนี้นะไปบอกท่านบอกว่าจะไปเชียงใหม่จะไปหาหลานท่านก็บอกเออก็ไปเถอะมาคิดตอนนี้โอ้ท่านค ง, คงคิดว่าเรานี่ถ้าอยู่นี่เอาไม่ลงแน่วิปัสนาโตัวนี้ท่านก็เลยปล่อยให้กลับไปนะพอกลับไปนะฮะก็มันก็ยังนั่นนะก็ไปมันก็ยังอยู่นะก็ไปฝึกต่ออีกพอกลับมาเซนหลุยเนี่ย ตอนนั้นปฏิบัติไปไปเห็นความคิดตัวเองเห็นความคิดตัวเองครั้งแรกแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาไม่ใช่ความคิดของเรานละ่มันแวบขึ้นให้เราเห็นเลยนะวันนั้นแหละที่ว่าไม่แปลกใจเลยหนังสือที่เราเคยอ่านปฏิ จ, จสมุตบาทอะไรนะโอ้โหมันตามมาเป็นขบวนเลยไปเห็นไอ้ตัวตัญหาได้ชัดมากเลยวันนั้นนะก็ไปกราบเรียนท่านนะแต่ว่า พอเห็นแล้วเราก็ยังทำอะไรมันไม่ได้นะมันก็ยังมีความวุ่นวายความคิดความช่อฉนอยู่ทำจัดการกับความตัวความคิดนี้ไม่ได้บอกว่ามันต้องมีวิธีที่จะจัดความที่จะขจัดความคิดนี้ในโอกาสข้างหน้าถ้าเราปฏิบัติไปอย่างไม่ทิ้งความเพีย มาปีที่เมื่อปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่เริ่มเริ่มเห็นความคิดชัดมากนะแล้วก็สติสมาธิปัญญาที่เราฝึกนี่นะมันเริ่มทำงานเริ่มเป็นปฏิปักษะตัวนี้ทำให้ไปมันตัวนี้แปลกนะฮะตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงนะไม่เชื่อเลยว่านี่มันจะมันจะช่วยให้ พวกของเราหมดได้ความคิดความกังวลความเศร้าโศกลำ่ลำลอยลาพันพวกนี้พอคิดขึ้นมาตัวสติปัญญาที่เราฝึกเนี่ยมันจะมาสลายตัวความคิดนี้นะแต่ก็ยังยังติดอารมณ์อยู่นะยังไม่หายยังมียังมีขุนมัวแต่ว่าไม่มากนะไม่มากขุนมัวแล้วเราก็แก้แต่ความโรบกรธหลงนี่ก็ก็ยังมีอยู่นะมีพอสมควรเลยล่ะ แต่ก็แก้ไม่ติดอารมณ์มากพอมาเริ่มเห็นความคิดมาก <c oughs> พอมาครั้งสุดท้ายที่บอ่อน้าร้อนเนี่ยนะมาเห็นความคิดอย่างชัดเจนเห็นความปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งของจิตใจว่าเวลาปรุงแต่งแล้วมันอยู่ยังไงมันไม่ปรุงแต่งมันอยู่ยังไงนะเห็นที่มาที่ไปของมันจิตใจช่วงนี้ช่วงนี้นะคะจะแบบว่า จะอยู่กับรูปกับนามมากไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยความคิดมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่ไปไหนเราจะให้คิดมันก็คิดไม่คิดมันก็ไม่เป็นไรก็มาคิดว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ธรรมะกับชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันคือปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติ แล้วก็ถึงแบบว่าเวลาทุกวันนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะทำอีกแล้วนอกจากที่ว่าจะตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ที่ท่านได้มาอบรมสั่งสอนมาชี้แนะแนวทางหนทางที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ ก็ถึงทุ่มเททุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำได้ความรู้ความสามารถตัวเองจะทำได้เพราะว่าเราทุกของเรากับทุกของคนอื่นอาจจะแตกต่างกันแต่มันก็เหมือนทุกเหมือนกันเราทุกเรารู้จากวิธีแก้ทุกเห็นทุกได้แล้วเนี่ยแล้วผู้อื่นนะถ้าเราไม่บอกไม่บอกไม่กล่าวขานให้เข้ามา ลองพิสูจน์ดูในเวลาในเมื่อเขาทุกเนี่ยแล้วใครจะช่วยเขาได้ถ้าเราไม่ไปเรียกให้เข้ามาดูมาพิสูจน์ก่อนมาทำก่อนก็เลยมีกำลังใจนะทำโดยที่ไม่มีความเบื่อน่ายแต่เมื่อก่อนนี้ถ้าทำอะไรเนะี่ยมันยังมันยังติดดีมันยังยืดดีมันยังมีโอเราทำนะอ่าแล้วหวังให้เขาแบบว่า ยกยอสารเสริอลึกๆอ่ะถึงไม่ออกหน้าออกตามันก็ยังมีนะแต่ตอนนี้ทำไปแล้วก็มันไม่คิดอะไรเลยทำแล้วก็แล้วกันไปไม่มีอะไรมันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ทุกคนที่จะต้องทำนะเกิดมาก็เพื่อกูลกั น, กนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็มีอย่างคุณหมอมีทุกอย่างคุณพี่ตุ้มก็มีทุกอย่างนะไม่ขาดตกบกพร่องสักอย่างเลยทรัพย์สมบัต ครอบครัวทรัพย์สินเงินทองบ้านที่อยู่อาศัยไม่ไม่มีนั่นแหะท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่ที่ที่ทครูบาอาจารย์ที่ดิฉันมาพากันปฏิบัติเนี่ยสิ่งนี้แหละที่จะท่านจะไม่มีวันลืมเลยถ้าท่านได้สัมผัสแล้วท่านจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไป แล้วถ้าเราทำแล้วเราก็จะได้ไปเผยแพร่ให้ลูกให้ครอบครัวให้ญาติเราให้ได้เข้าเข้าใจในในสิ่งที่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะถ้าที่ที่จะทำให้เราเนี่ยทุกน้อยว่าอย่างนั้นนะทุกน้อยก็คือการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเพราะฉะนั้น ที่พี่ทั้งสองบาก็รู้สึกอนุโมทขอขออนุโมทนาสาธุด้วยพี่ก็มีบุญพอสมควรนะที่มาเจอถ้าบุญนี้ถ้าพี่ทำมันก็จะอยู่กับพี่เองไม่ไปไหนหรอกถึงมันไม่เห็นผลวันนี้ถ้าเราทำไม่หยุดนะมันต้องได้ พราว่าดิฉันเคยผ่านมาแล้วท้อก็ไม่เป็นไรท้อยก็ไม่แต่อย่าทอยนะท้อก็ไม่เป็นไรทําไปจนวันหนึ่งแหละมันถึงจุดพีคของมันอนะ่ะครูบาอาจารย์บอกมันต้องเก็ตละ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มันไร้สาระคือไม่ได้อะไรไม่เห็นไม่รู้อะไรเนี่ยดิฉันก็คงไม่ทํามาถึงขนาดนี้แล้วนะเพราะว่าเราเห็นประโยชน์สูงสุดแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ ผ่านจุดนี้มาท่านก็คงเหมือนพวกเราเราเนี่ยที่เห็นประโยชน์เราก็มาทำกันความรู้สึกที่ที่ว่ า, วารู้สึกตัวเมื่อก่อนที่เราไม่เคยปฏิบัติกับที่ปฏิบัติแล้วมีมันตัดนิดโอ้เมื่อเห็นนี้เพิ่งเพิ่กับพี่ตุ้มฟังก่อนปฏิบัติเนี่ยโอ้เป็นคนที่ เป็นคนที่แบบว่าใจร้อนมากเลยนะเป็นคนที่พูดมากพูดคือว่าพูดจาเพ้อเจ้อตลอดเลยคุยไม่รู้อะไรไม่มีสาระแก่นสารเลยนะคะแล้วอารมณ์โกรธโกรธหลงนี่ก็โอ้โหเต็มตัวเลยไม่รู้จะแก้ยังไงพอมีปัญหามายังมีปัญหาตอนสมัยนั้นทํางานอยู่เนี้ยพอมีปัญหากับลูกน้อง อย่างเงี้แก้ไขแล้วนะแต่กลับมาบ้านทำไมมันยังคิดอยู่เนี่ยมันก็คิดจนบางครั้งนอนไม่หลับนะฮะพอกลับมาบ้านแบกปัญหาที่ร้านมาอีกพอมาเจอบ้านเจอปัญหาที่บ้านอีกโอ้พอเจอปัญหาบ้านเสร็จเจอปัญหาลูกอีกอย่างเงี้ยมันรับไม่ได้จิตใจเรานี่นะโอ้โหโดนทับถมโดน ุโดนตีซะจนปอบช้ำไปหมดนะก็พอมาปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัตินี่มั น, ม, นมันเห็นได้ชัดเลยว่าทุกข์ที่เราเป็นเนี่ยนะเพราะว่าเราเข้าไปยึดเราไม่ทันต่ออารมณ์ที่มันมากระทบเราเราเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเรา ของเราทุกอย่างเป็นของเรานั่นะมันถึงได้มันถึงได้ทุกนะฮะพอปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนะแบบว่าก็คงจะเห็นนะนะคือว่าจิตใจมันสงบเยือกเย็นขึ้นกว่าเก่าน ะ, ะไม่ไม่รุ่มร้อนเหมือนแต่ก่อนน ะ, ะนจะีความรู้สึกตัวที่เราสิทรู้สึกได้ปัจจุบันนี่นะ ความรู้สึกตัวสมัยก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติมันอันเดียวกันไม่เลือหความรู้สึกนี่มันอันเดียวกัน่หลวงพ่อนะ ค, ะความรู้สึกอันเดียวกันนี่แหละทไมสมัยนั้นที่เรายังไม่ปฏิบัตมิมาถึงใช้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ถึงใช้มันได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงหลวงพ่อเราไม่รู้ความรู้สึกนี่มันมีกับเราตลอดเลยนะะตัวสมาธิตัวสติ ตัวสมาธิตัวปัญญาเนะี่ยอยู่กับเราแต่เราไม่เคยเห็นมันเราไม่รู้เราไม่รู้จะศึกษายัางไงเริ่มต้นยังไงจะได้เห็นตัวนี้นะมันก็มีอยู่ความรู้สึกตัวว่า ง, างๆเฉยๆความรู้สึกตัวแบบไม่มีความคิดเข้าไปแต่มัก็คงแบบว่ามีแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นมันเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเร็วมากจนแล้วกิเลส อุปทานอิกิเลตันหาอุปทานมันพ่อครูอยู่ในใจช่วงที่มันมีโอกาสที่สบายนิดหนึ่งนะโยมคิดว่าช่วงนั้นที่จิตใจของเราได้ผ่อนคลายนิดหน่อยให้มีชีวิตต่อไปหลังจากนั้นล้วก็เราก็ต้องรับทุกข์เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่รู้หนทาง ที่จะไปแก้ไขจุดนี้ก็พึ่งหมอบ้างพึ่งพึ่งเจา้าพึ่งต้นไม้พึ่งป่าพึ่งเขาไปตามเรื่องในบนงริ่งเรู้สึกว่ามีมันชแต่ว่าเราไม่เห็นว่ามันจะเป็นที่พึ่งอะไรได้ใช่ครับไม่เห็นว่ามันจะช่วยอะไรได้แล้วไม่ไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้ไม่แบบมืดมนทการมืดบอดไม่คิดว่าตัวนี้ มาแก้ทุกข์ได้เนี่ยแปลกใจตรงนี้ค่ะว่าอะไรนะเป็นไปได้ยังไงทุกวันนี้บางครั้งก็ยังแบบมหัศจรรย์ในใจอยู่นะว่าโอ้มันมันมีกับตัวเราอยู่กับตัวเราทุกอย่างเลยนะแต่เราไม่สามารถเห็นมันได้โอ้มันมันแปลกนะ ก็ตอนนี้มันก็อยู่ด้วยกันนะหลวงพ่อตอนนี้มันมันก็อยู่ด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกันมันมันก็ไม่ได้แยกไปไหนนะหลวงพ่อมันก็ไม่ได้แยกไปไหนมันก็อยู่ของเขาอยู่ดูมันไม่มีอะไร มันก็แต่อย่างว่านะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติมานานศึกษามานานนะแล้วเราจะมันการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยไม่มีผู้ใหม่ผู้เกา่ายิ่งเรายิ่งปฏิบัติแค่สี่ปีเราต้องปฏิบัติไปอีกนะเพราะสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยเพราะเรายังไม่หมดทุกเนี่ทุกบางอย่างมันมีแต่มันแก้ได้เร็วแก้ได้ช้าแก้ได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีทุกเลยงั้นก็คง คือในนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้มันจบได้ในการปฏิบัติให้พ้นทุกเนี่ยแต่เราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นยังไงเราบอกให้ใครไม่ได้จุดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเป็นปัจจตังบอกได้สื่อสารให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะที่ปฏิบัติมาแต่ว่าจะให้ไปชิมรสหรือรองสัมผัสอารมณ์นั้นทุกคนต้องทำด้วยตัวเองแล้วจะรู้ด้วยตัวเอง ก็คงคงแจ้งชัดแล้วเนาะคุณหมอก็สมควรที่พูดมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะโอกาสหน้าก็คงจะมีอะไรให้หลวงพ่อได้สอบอารมณ์แล้วก็แนะนำตักเตือน สิ่งไหนที่โยมยังทำให้ถูกไม่ควรให้ครูบาอาจารย์ได้สอนอดูแลด้วยขอาการาบในมรสการค่สระสาในช่วงของการปฏิบัติจะต้องประสบ ป, ปัญหาประสัยต่าง แต่ว่าในวัดทนที่เราพูดกันเมื่อวานนะความทนอดทนตัวนี้ไม่ไม่ท้อแต่ไม่ถอยนีย่เรียกขันตินะพอขันติตัวนี้มันอ่าถูกปลูกฝังลึกลงไปเรื่อยเรื่ อ, อ, อมันก็จะเกิดด อ, อกเกิดผลต้องมันก็คือขอให้เกิดความที่ว่ า, าเทเลไีดมวยผ ม, ม น, นะนซึ่งตัว ตัวพลังของความอดทนเนี่ยมันก็สั่งสมสั่งสมตัวปัญหาและอุปสรรคไว้ในตัวมันเสร็จแล้วมันก็จะแปลสภาพเป็นความเขาเรียกว่าอุปสรรคมันตกผลึก <c oughs> ก็กลายเป็นตัวขันติเนี่ยมันก็กลายเป็นพลังทีนี้ ถ้ามาถามบอกว่าความรู้สึกตัวที่มีมาแต่ก่อนปฏิบัติกับความรู้สึกตัวที่มีเดี๋ยวนี้อันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่ความรู้สึกตัวสมัยนั้นทําไมมันพึ่งไม่ได้ก็เพราะว่าเหมือนกับมเมล็ดนะเนี่ยเมล็ดพืชสมมุติว่ามเมล็ดมะม่วงเนี่ยนะทุกคนมีอยู่คือความรู้สึกตัวนี้มันเป็นมเมล็ดอยู่แต่พอเรามาเข้าปฏิบัติเนะี่ยเหมือนเราเอามเมล็ดมะม่วงเนี่ยมาลงดิน มาลงดินแล้วก็ค่อยให้น้ําใส่ปุ๋ยพ่นดินมันวันหนึ่งมันก็แตกงอกออกลากขึ้นมาในช่วงที่มันเป็นมเมล็ดเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกตัวดิบดิบที่ทุกคนมีอยู่นะเย็น้ยยนอนอ่อนแก็งแก็งถึงรู้สึกเป็นรู้สึกตัวดิบดิบเรียกว่าสัรชาติยานมีอยู่แต่พอเรามาศึกษาสมถะมาศึกษาเรื่องกายเนี่ยเหมือนเอาตัวรู้สึกที่มันมีอยู่เนี่ยมารวมนะ มารวมเป็นพลังขึ้นเป็นตัวรู้สึกจิตมันก็มารวมมันน้ํากับดินมันก็ น, น้ํนาอยู่ที่หนึ่งดินอยู่ที่หนึ่งเอาดินใส่ในกระถางไว้ใช่ไหมน้ําอยู่อีกแห่งหนึ่งพอเราเม็ดลงในกระถางแล้วเอาน้ํามาใส่ดินกับน้ํามาเจอกันทำให้เรเอากายกับใจากายกับใจมาเจอกันแล้วก็อตัวสติเนี่ยเหมือนตัวมเมล็ดความรู้สึกตัวที่เราฝึกกันเนี่ยมันเหมือนกตําเมล็ดฝังลงไป ็แล้วไอ้ธรรมชาติของมันแล้วมันก็ต้องน่ะได้น้ําได้ปุ๋ยมันก็จะขยายตัวเนื่องเมื่อตัวสมมติเมล็ดม่วงเน่ยมันเริ่มแตกงอกออกรากไปไอ้ตัวรากของมันเนี่ยก็เรียกอารมณ์รูปน้ําไอ้ตัวที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยจากเมล็ดมันขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มเป็นอารมณ์ปราัะปรามะมันจะเติบโตขึ้นข้างบนรูปน้ํามันจะเติบโตลงข้างล่างมันรากกระต้นถามว่ารากกระต้นเนี่ย เป็นอันเดียวกันคือคนละอันหมอรากไม้กับต้นไม้เนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละกันอันเดียวกันแต่อยู่คนละส่วนเดียวทีนี้หาว่ารูปนามกับปรมาต่างกันไหมเก็ดอยากรสนายอย่างนั้นนะเจะว่าอันเดียวกันคนโคนละอันก็ได้อันเดียวกันก็ได้แต่มันอยู่คนละส่วนส่วนรูปนามมันจะอยู่ส่วนล่างลึกหน่วยถ้ารูปนามมนลึกมากไปเท่าไหร่นะ ไอตัวตวยย้นมันก็ยะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอตัวอย่างลูกน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวสมถะลงไปในดินเนะี่ยไอตัวที่มันเติบโตขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นตัววิปัสนาหรือว่าปรมาทิตย์สัมพันธ์กันอย่างนั้นนะเห็นภาพไหมเห็นนะตอนถามว่าทุกคนมีไหมมีแต่ว่ามันเป็นมเมล็ด อ, อ, อยู่ไงจะเป็นเมล็ดมะม่วงมะขามอะไรกระามโคนมีอยู่ แต่ว่ามันยังไม่ได้อามาเพาะนั้นเองว่นดวันหนึ่งเอาโมาาอันนี้คุณมีมเมล็ดอันนี้ทาไมไม่ไปเพาะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เน่าก็แห้งไงเราก็เอารีบเอ า, มาเมล็ดนั้นมาเพาะบางคนเสียดายนะบางคนก็ทิ้งมเมล็ดนั้นไปเลยหรือแห้งไปเลยรีบไปเลยเลยไม่ได้กินไม่ได้อยู่ไม่ได้ไอายสายพอต้นมันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยสมมติต้นมะม่วงนะมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้มีดออ่ามีดอกมีผลขึ้นไปนั่นคือเรียกว่า เป็นมักเป็นผลถ้าเป็นดอกเรียกว่ามักถ้าออกผลออกมาก็เรียกว่าผลเรียกมักผลเห็นไหมนี่คือกระบวนการเจริญตามธรรมชาติซึ่งมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับเกินวิสัยที่เราจะเข้าใจแต่เนื่องจากมันเป็นนามธรรมเท่านั้นเองเรามองไม่เห็นมันชัดซึ่งตัวนี้ยมันทําให้เรามั่นใจว่าทิ้งที่เราทําเนี่ยต้องมีผลแน่นอนแต่ว่าเราจะไปเร่งมันไม่ได้อย่างมะม่วงเนี่ยอมันอายุมัน ห้าปีเจปีมันเป็นลูกใช่ไหมเอาปลูกได้ปีสองปีเอาไปเล่งมันเนี่ยให้มันเป็นลูกเนี่ยบางทีมันตายเลยนะเพราะมันยังไม่ครบจํานวนเวลาของมันเราเหมือนกันถ้าสมมติเราไปเล่งปฏิบัติให้มันรู้เนี่ยไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาของมันแต่ว่าเราจะไปถอนต้นทิ้งไม้ทิ้งไม่ได้คือมันเขาเลยจะไปถอนไม่ได้แต่ทอได้ไม่ได้จะไปถอยถอยไม่ได้ของมันถ้าถอยมันเขาเราดึงไอ้ต้นม่วงต้นนั้นทิ้งก็หมายความว่ามันมันก็ไม่โตไม่ได้ เพราะนันนี่คือความหมายที่ว่าท้อแต่อย่าถอยนี่คือลักษณะอย่างนี้ทีนี้ดูว่าอยากจะถามคุณหมอที่วันวันว่าตั้งแต่แรกที่เข้ามาปฏิบัติจนไปถึงวันนี้ก็สามสิปีพอจะลำดับความเห็นความรู้สึกไหมว่าสมัยนั้นที่เข้าไปปฏิบัติกับสมัยนี้ความแตกต่างมันมันเห็นความแตกต่างชัดไหม มีความยังไม่รู้สึกแตกต่างแต่หมายความว่ า, เ, าเริ่มจะจะจะปลูก ม, มะม่วงหรอหเอาเอานึกว่าจะมะม่วงนึกว่ามะม่วงโตแล้วมีอม <laughs> ะไร <laughs> เริ่มคิดจะปลูกมะม่วงอย่างจริงจังนะอ๋ะะ อ, อาสามสองหนาวก่อนนั่น แบบจิ้มจุ่มแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่ไม่ได้รดน้ำํำก็ <c oughs> ทิ้งคว้างดูแลไม่ไม่ดูแลอะ <c oughs> แต่เมื่อไรที่นอนไม่หลับทีก็ยกมือที <c oughs> <c oughs> นอนไม่หลับทีก็ทําจังหวะท <c oughs> พีพอพอพอหา้าน้ําตาไหลน้ําตาไหลแค่ <c oughs> เดียวนะ <c oughs> บางทีเป็นเป็นไม่ถึงห้านาทีนะเพรน้ําตาไหลรีบหลับซ้า รีบรีบนอนนั่นเอนะอันนั้นใช้ได้นี่ขนาดจิ้นจุ่มจิ้นจุ่มแต่ก็แต่กแทบไม่ต้องพึ่งยานอนละนะคะแต่ทีนี้ปีนี้นะคะคิดว่าจะซีรีสแล้วเพราะว่าไอจะตั้งใจไอไอสิ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมันช่วยเหลือดิฉันขึ้นมากก็คื อ, อ, องานหมด นะะงานหมดไม่ต้องทำงานนะะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มันกำลังจะมันมันกำลังเข้าฤดูสปริงนะคะมันมันมันจะเริ่มละเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นไปทำฤดูหนาวไปทำะไรมันก็แห้งเหี่ยวไปหมดนี่ฤดูสปริงลวคิดว่าอย่างสองวันเนี่ยรู้สึกจะซีเรียสมากกว่าที่เคยทำมาเมื่อสองปีก่อนครั้งละห้าวันอะไรเนี้ย เออเบือนมีเมื่อวานนี้มีขี้เกียจมากๆเท่านั้นเองถามอาจารย์ว่าอที่เกียจจะทำอะไรจะแก้อย่างไงอาจารย์ก็ยังไม่มีคําตอบให้เอยไอ้นี้ก็ <c oughs> ก็ ก, ก, ก, ก็ก็คิดว่าก็คนอื่นเขาทาได้นะฮะอะไรอย่างนี้นะแล้วต่ดิฉันเนี่ยในภูมิแล้วเนี่ยดิฉันเป็นคนเข้าใจยากอืแต่ถ้าถ้าวันถ้าเข้าใจแล้วจะกลัดไม่ปล่อยอแต่ขณะนี้ ฟันฟางก็เริ่มหก <c oughs> ั ก, กลแล้วนี่ก็การลำบากนี่ก็ารลบากฉะนั้นคิดว่าถ้ามีโอกาสได้พบกับผู้อาจารย์อีกครั้งหนึงน่งพระอาจารย์คง <c oughs> เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่แต่ <c oughs> มา ม, มาบอกตอนนี้ก่อนว่าสมัยที่มาเจอโยมที่บ้านหมอสิทิวรรานยโยมแก่กว่านี้เยอะเลยนะแต่มาถึงตอนนี้มันหนุ่มขึ้นเกือก อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเอาใจนะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นมาเห็นโยมนี่แก่งหนักเลยนะฮะแล้วแต่ทรงผม <laughs> ไม่เนือ้อนางวังษาดูแล้วโทรมอะ่แะแต่เดี๋ยวนี้มันสดใสอะ่ะเออเอามาเห็นชัดเลยนะอันนี้คือความต่างเออไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่พูดตามความเป็นจริงที่ที่เห็นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เอามาว่าหมอประเมินตัวเองต่งตําไปหน่อยหนะึ่งแต่ความจริงมันไปไกลพอสมควรนะ <laughs> ๋ยวหอมไม่ชอบอไม่ใช่อย่หอมอันนี้คือความจริงอยหอมไม่ใช่ๆๆแต่ท่านอาจจะพูดพูดเพื่อให้กําลังใจนะฮะแต่ว่าแต่ว่ารู้ตัวดีว่าว่าจะพร้อมจะขอเวลาอีกสักสองเดือนเนี่ยนะคะจะจับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่อืแล้วก็ไอ้ที่เรือเรือนี่ก็เรื่องสุขภาพดีโอเคใช่ไหมสุขภาพนี่โอเคแต่ว่าให้ระวังเรื่องอ้วนหน่อยนะ พอถ้าอายุเรามากขึออ้นเราจะอ้วนนหนักรถมาสิบห้าพันแล้วนะหรือพอไป <c oughs> รีทรีตนี่กลับมานี่ตอนนี้ตอนนี้โอโหแจมแจ๋อมากจริงๆริงยาวขึ้นยาวขึ้นทุกวันเ <c> ม <oughs> ื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเนีอภายในสิบปีที่วิ่งเดินสายเนี่ยนะคะกางเกงขาสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นอแต่เนี่ยเนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะ กางเกงงเงตัวเดิมน่าแต่ขายาวลงยาวลงขายาวลงอ่าแต่คิดว่าแต่ไม่ประมาทนะฮะดี๋ัวทก็ทำเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเข้าใจว่ามันมันจะต้องเส่อมโซมก็เรื่องแกเรื่องเจ็บเรื่องตายเราไม่ปฏิเสธธรรมชาตินะแต่ว่าเราเอาตัวของมันเองเนี่ยเป็นนิมิตกรรมฐานมันแก เอาตัวแก่จะเป็นธรรมฐานมาพูด <c> ท <oughs> จาบอกว่เมื่อมีความแก่ความไม่แก่ก็มีนี่เมื่อมีความเจ็บความไม่เจ็บมันก็มีไม่มีความตายความไม่ตายมันก็มีได้นะทีนี้เราจะหาคนหาความหมายมาตรงนั้นนะอ่ะไอเรื่องแก่นี่แน่นอนนะใครแก่เท่านั้นเรื่องตายก็แน่นอนนะแต่ถ้าเราไม่ไมีหากลับมันว่างเออเอามาว่ามันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์นะพิสูจน์คำพูดของนาย นั so we like we so ่นไหมายควว่าเราก็ไม่ได้อยอมจํานวนต่อความจริงแต่เราพิสูจน์ความจริงมันแก่แบบไหนมันเจ็บแบบไหนแล้วมันตายแบบไหนศึกษามันแล้วเราสามารถชะลอความแก่ความเจ็บความตายได้สบายและมีความสุขในการแก่มีความสุขในการเจ็บแล้วมีความสุขในการตายนั่นคือการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหมายถึงว่าจิตใจของเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนี้เป็นกับความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าเราไม่ตายนะ นี่ความหมายโยมพิมพ์มาปฏิบัติกันนานพอสมควรเ้วเห็นประโยชน์อันนีสงอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองต่างเก่ารุ่งเพราะว่าเดิมยังไงบ้างตั้งแต่ปฏิบัติมาอีกก็ขออะไรสังคณ วิสีที่นำสายหมู่พธิ์เยนมาช่วยให้เรไม่รู้ตัวเองแต่ก่อนปฏิบัติม า, า, มานางหลับตาก็าังนานตั้งแต่ปีเก้าจสองนถึ ง, ถงปีเก้าสิบแปดเก้าจุบเก้ามาเข้าวิดป่าแบบ่นาิทู ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอาการปีกสืบสืนาไม่เคยสนใจเพราะว่าตอนนี้นี่ดีใจแล้วพอบคุณลวงพ่อมหาดิเรกที่ส่วยให้โยมรู้เห็นความคิดผุ่งแฝงสืบนาเห็นทุกเห็นทษของการ คิดปรุงแตงใข้าให้ทุกพราตอนนี้เนี่ยมาปฏิบัติแล้วขอบพระคุณที่มรราที่สวยส่วยให้พิมได้มานั่งปฏิบัติบ้านที่นีมนมีความสุขทางกายทางใจ ท, งทั้งทั้งที่ส่วยโควดท่มันก็ตามเห็นเห็นจิตเห็นใจเห็นอาการเห็นเดินตั้งแต่ตื่นขึ้นมากำหนดรู้ ทันแล้วพอเห็นเวลาหน้ามันปฏิบัติตอนนี้มันง่วงก็รู้จากแก่ง่วงพอมันง่วงนิบอนมันจะเข้ามารีบ ล, ลุกขึ้นมาเดินแล้เอาน้ําเย็นๆล้างหน้าแล้วก็พยายามทำโยคะช่วยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินต่อนัอน่งปฏิบัติต่อ วความถูกหลวงพ่อมาปฏิบัติตอนนี้นะหลวงดงใจเต็มได้ยินว่าจะได้มาแล้วก็มีสิติหลวงพ่อโทรไปบอกเตรียมเอาเสื้อผ้าอะไรเก็บมาวัดประตูแล้วจะได้ออกเดินทางหลมงก็เตรียมเก็บควา ม, วมาความรู้สึกตัวที่เวลามีอารมณ์มากระทบให้ปรุงแต่งเนี่ยมันความรู้สึกตัวมัน มันยังยังอยู่หรือหรือมันหายไปเวลามีใครพูดอะไรทีไ่ไม่ไม่ไม่ถูกใจเราเนี่ยความรู้สึกตัวที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันหายไปหรือมันยังอยู่ตอนนั้นเน่ยมันพยายามจะขาดสติมันมาอยู่แล้วก็มันขำก็อาให้มีความเครีขึ้นมาในใจพอมา ก, กลับมา ทำความรู้สึกตัวปฏิบัติที่มันกรลโดออกไปแล้วมันอยู่ได้นานไหยเวลาเวลาความคิดความเครียดความเศร้าหมอง ค, ความไม่สบายใจเนี่ยมันมันอยู่ได้นะอยู่กับเราได้นานไหมในช่วงที่เรามันรู้สึกถูกกระทบเน่ะใช่ตอนขาดสติมันก็อยู่นานแต่พยายามกลับมาอยกความรู้สึกมันก็ไม่นานค ครับก็มาปฏิบัติทำความรู้สึกตัวแต่ก็ดีที่มันไม่คาสติไปนานตอนนี้รู้สึกปฏิบัติต่อเนื่องตั้งแต่มาจากน้ำแร่ปฏิบัติตลอดแต่ก็พยายามให้มันไวขึ้นหน่ยนะสตินะไม่ได้ขึ้นจมตุ้มวันนี้หายง่วงได้ยัง เมื่อวานรู้สึกยังง่วงอยู่เนาะตอนนี้ตอนนี้หาง่วงเปไงบ้างเนี่ยพูดถึงเรื่องแกงง่วงให้ฟังนะน่อยเรื่องแกงง่วงนะคะก็เมื่อวานมันเหมือนเมฆหมอกมาไม่รู้ตัวมันกลืนเราไปอหลับคอตกวันนี้พอเมฆมาต้องรีบสลายรีบสลายไหมคะคือคือหลับไม่รู้ตัวเป็นความเคยชินของเรา ที่ว่าหลับบางทีนั่งนั่งอุ้มหลานก็หลับไปนะ<อ>แต่ว่าพอดีมีเบาะที่มันมก็รู้สึกว่าความง่วงเนี่ยไม่เคยรู้มันคลองงำวันนี้ก็แก้ไขได้แก้ไขได้นาอนหลัด้สดชื่นแต่ว่าจาจจะไม่ง่วงอีกเลยนะไม่ง่วงเลยความคิดมันลุกวนลงไคือว่าเออมันแปลกไหมคะมันง่วงตอน เก้าแปดโมงครึ่งเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะะมันเป็นเวลาที่เราเพิ่งตื่นแล้วมันยังง่วงแสดงว่ามันไม่อยากปฏิบัติอยู่ที่บ้านง่วงเวลานี้ไหมไม่ไม่ค่ะไม่เคยแล้วก็พอปฏิบัติมันก็คือมันเหมือนกับว่ายิ่งกระฉับกระเฉงขึ้นนะพอเย็นที่เวิร์กนะอ๋อเลยค่ะเหมือนกับว่าสตาร์ทแรกแรกมันเครื่องดับดับติดติเนี่ยนะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาอ๋อ แต่ความรู้สึกตัวที่ที่ว่าพูดตอนนี้เข้าใจไหมความเป็นยังี้ความรู้สึกตัวอ่าความรู้สึกตัวก็อืมคือวันนี้ก็ปรับปรุงตัวนะคะเรื่องความง่วงเลยแล้วก็อืมเมื่อวานเนี่ยคิดก็ผิดพลาดไปที่ว่า ขณะที่ทำก็ปรุงแต่งไปเหมือนที่ที่ไ ด, ได้ได้เรียนท่านนะคะว่า <l> อันนี้ความทุกข์เอาออกไปนะคิดตัวเองนะคะคิดตัวเองแล้วก็วันนี้พอท่านก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรให้รู้ว่าเราทําอะไรฮะรก็เริ่มทําพอเริ่มทําก็ก็ไม่มั่นคงนะคะก็ก็นึกในใจไปด้วยว่าอ่าตะแคงน้ายกเลยเนี่ยนะนึกไปตลอดแล้วมันคือคือคื อ, ค อ, คอทำไปก่อนแล้วก็นึกตามว่าอันนี้นี่อะไรเนี่ยนะคะ ขณะที่ว่าทั้งทำแล้วก็นึกกำหนดไปว่าเราทำอะไรเนี่ยยังมีเสียงมารบกวนก็คุยกับน้องมาริสาก่อนที่จะขึ้นมาว่าพี่ว่าเราก็ทำรัดกุงมแล้วทั้งสองอย่างมันยังมีเสียงมีภาพเข้ามาแสดงว่ามันจบ เสียงมาถึงเสียงจากข้างในหรือเสียงจากข้างนอกเสียงคือคือเป็นเป็นเสียงคือคือเป็นจิตเราที่เคยท่องเที่ยวอะค่ะนึถึงนู่นนึกถึงนี่ทั้งภาพทั้งเสียงแล้วเราก็รีบรุกทำทำเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันก็จางจางไปรู้ไหมว่ามันจางไปได้ยังไงก็เรามีสติขึ้นไหมคะแล้วก็กำหนด กำหนดมากแล้วค่ะวันนี้คือคือเริ่มทําเป็นจังหวะคิดอะไรว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อก่อนก็ทําไปเรื่อยพอเป็นจังหวะมันเหมือนเป็นสเต็ปมากค่ะมันทําให้เพลินมันก็เพลินอเพลินแล้วก็รู้ตัวง่ายในจังหวะที่ชัดเจนนยมันทําให้จิตกลับมาทางมันกําหนดมันควบคุมเราคงมันนะคิดตามภาษาของเราผููที่ทำใหม่นะอ่ะใช เนี่ยอันนี้แหละถูกแล้วแต่ที่นี่จะทำไงทําจังหวะนี้ให้มันช้าๆนี่ยตอนนึงยาวๆซึ่งแน่นอนอนตัวคิดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันะเดี๋ยวมันก็มาเองพ่อเขาเป็นเจ้าบ้านนะแต่ที่เราจะเปลี่ยนเอาเจ้าบ้านคนใหม่ออกเข้ามานะ่ะเอาตัวรู้สึกตัวเข้ามาแทนเขาแต่เขาเจ้าบ้านคุณเก่าคูอความคิดเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะแต่เขาพาเราไปเที่ยวเรื่อยเร็วกัน <laughs> ไม่ค่อยอยู่บ้านจนกระทั่งว่าเราก็เหนื่อยกับเขาละ แต่ที่นี้ตัวรู้สึกตัวนี้เราต้องสร้างให้เข้มแข็งเแบบเป็นเจ้าบ้านคนใหม่เขาจะพาเราอยู่บ้านตัวนี้นะแต่ว่าเวลาไปนั่งทําคนเดียวที่บ้านนี้นั่งทํานานๆนี่จะ่ามีความเข้าใจดีไหมที่พูดมาเข้าใจนะเขาจะเข้าใจคเข้าใจนะคิดว่าก็คุยกับน้องเขานะคะกอนที่จะท่านบอกว่าพี่ก็ได้ความรู้นิดไป ตัวไปแล้วแล้วเราคิดว่าต้องทําสม่ําเสมอมันที่ถามท่านนะว่าถ้าเราทําจนคิดว่าอยู่ตัวแล้วเราจะหยุดไหมท่านก็บอกว่าให้ทําไปเรื่อยเป็นการสะสมใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เลยเปรียบเทียบในใจตัวเองว่าเอีอเราคงจะต้องเหมือนกับหางอ่าวัวที่ต้องปัด <c oughs> ให้มงวีแมงวัตลอดคือมันอยู่มันจะต้องกําจัดออกไปแต่ลอด <c oughs> มันบางที มนมาลูกกวนนะก็ ค, คิดว่จะเอาสิ่งนี้จะไปปฏิบัติถ้าถ้าหากว่าเห็นเห็นความจําเป็นของสิ่งนี้สมัคนลมหายใจแล้วนั่นแหละมันจะมันจะก้าวหน้านะมหมายว่าทําเรื่อยๆให้รู้สึกเรื่อยๆตัวลมหายใจเนี่ยมันช่วยชีวิตในส่วนลูกนะแต่ตัวสติสัมัาติเนี่ยมันจะช่วยชีวิตในส่วนนา ม, มลมหายใจที่สองของกายคือลมหายใจแต่ว่า เราก็จะต้องเข้าไปรับรู้ต่อการ <c oughs> รู้นั่นนะฮะ <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่ให้มันเป็นไปเอง <c oughs> แต่ถ้ามันเป็นไปเองเนี่ยหมายคามันก็ไม่เป็นประโยชน์โลกสาัะเฉยยาน <c oughs> แต่เราเข้าไปรับรู้ต่อการาเป็นไปการเคลื่อนไหวการรู้สึกอะไรต่างทั้งสี่ฐาน <c oughs> กายก็รู้สึกว่าเรากำลังเคลื่อนไหวยังไงที่เราส่วดมาเมื่อกี้นะ <c oughs> เวทนาเราก็รู้ว่า ร่างกายนี่มีความเย็นแ้วนันอ่อนแข็งแข่งตึงทุกข์สุขยังไงให้รู้ <c oughs> ในขณะเดียวกันก็จะมีความคิดเข้ามาความคิดเนี่ยแวะเข้ามาเรื่อยเนะี่ย <c oughs> ก็รู้ว่าอ๋อนี่มันคิดอีกแล้วนะแต่นี้พอพอเขอือคิดไปปั๊บให้เรารูวนเป็นเรื่องขึ้นมา <c oughs> ก็ให้รู้เอามันคิดเรื่องอะไรแล้วกลับมาสู่ตัวนี้ใหม่กถ้าความรู้สึกตัวเรายังไม่เข้มแข็งเนะี่ยความคิดก็ยังเข้ามาบ่อย <c oughs> แล้วมายาว แต่ถ้าไม่ได้ความรู้สึกตัวเราเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะอ่อนตัวลงไปห่างออกไปห่างออกไปจนกระทั่งว่าความรู้สึกตัวกับกายนี้เป็นอันเดียวกันแล้วความคิดก็จะไม่เข้ามารบกวน อ, ก อ, กอีกอย่างนึงนะคะคือเป็นคนชอบชอบฝันนะคะฝันต้องอเนื่อยอเหนื่อยมากแบบมัน มันต้องไปลบกับเข้ามั่งอะไรวิ่งหนีผู้ร้ายอะไรนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวตื่นมาเหนื่อยมากพอมาปฏิบัติสองวันเนี่ยหลับสดิทคือจิตมันไม่สับสนใช่โยมรู้ไหมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันคงไล่มันไปไหมคะเพราะว่าในในฐานจิตเดิมเน่ยมันมีมันขัดกันอยู่นะฮะ ตัวหนึ่งมันดึงลงตัวหนึ่งมันดึงขึ้นเพราะนั้นสภาวะจิตมันจะเป็นชักกระเยอะอย่างนี้ตลอดแล้วคอนฟลิกต์นะแต่พอโยมมาพยายามเอาตัวนี้มันไปด้วยกันมันก็เลยความขัดแย้งมันขัดมันมันถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นดึงกายกับใจมันมันขัดแย้งกันแล้วขากายใจดึงมาถึงใจใจดึงมาทางหนึ่งแต่พอโยมมาทํานี่โยมพยายามทํากายกับใจให้มันไปด้วยกันความขัดแย้งก็สิ้นจิตก็สงบ โยมก็หลับได้สาบยายนะเพราะนั้นให้จำบทเรียนนี้เอาไว้นะเพราะนั้นเพราะนั้นลึกๆแล้วเนี่ยโยมมีภาวะที่ดีอยู่แต่ว่าโดยสังคมหรือโด ย, ดยสภาพวแวดล้อมมันดึงอะ่ะก็เกิดการความขัดแยง้งแต่เมื่อโยมกลับมาหาตัวเองอีกครั้งค่อยๆโยมพบตัวเองก็พยายามทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆความฟันความเหนื่อยความโต้แยง้งความดึงดันอะไรที่ในใจเนี่ยมันก็ค่อยลดกาลังลง มันก็จะมีเมื่อกันแต่น้อยลงไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับอำนาจของตัวรู้สึกตัวที่โยมทำเนี่ยว่าจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหนคิดว่าคงจะไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเพราะว่าเพราะว่าตัดตอนมันไปเยอะนะคะวันเนี่นะอ๋อเหรอนี่ส้าได้ที่เจ็ดวันนี่ไปวรู้สึกนะคะเพราะว่ามันปุ๊บปััไปไหนได้เร็วมากเร็วมากพอราทอยู่อย่างนี้นะคะมัน มันยังไงแล้วคะมันเข้ามาน้อยมันเข้ามาน้อยมากตามตามำคอร์สทาจิตแล้วต้องว่ากันกิตวันนะนะจิตวันทุกสี่วันแต่ยืมสองสาวันอยู่สัันได้ไม่ใช่เรียงธรรมดาเลยนะว่าไว้ทีเดียวคือมีความทุกข์มากแล้วว่าจะทํายังไงอะนะคะคือเดี๋ยวพูดอีกนดนะคะคือว่าโชคดีที่ได้มาที่เนี่นะคะที่อเมริกาเนี่ย ครังแรกก็ไม่ได้คิดจะมาลูกสาวก็มาอยู่สิบปีนะค ะ, ะ, ะก็พราประชวนวกีกลัวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเครื่องบ่งเครื่องบินมากเป็นคนขี้วิตกนะค ะ, ะแล้วก็พอมาก็พอดีไปอยู่บ้านที่ลูกสาวเช่าอยู่ประมาณครึ่งเดือนแล้วพี่ทิพย์ไปที่บ่อน้ำร้อนนะคะเอาพี่ทิพย์ไปทางานก่อนแลก็บอกให้ไปที่บ้านซีที่บ้านเช่าบรรนหนาว นะคะพี่ทิพย์กับพี่ถนองก็ไปทํางานก็มีโอกาสนะคือมันเป็นขุมทรัพย์หนังสือเยอะมาก <c oughs> อกยนนี่ว่านรคะก็หยิบมาเล่มหนึ่งชื่อว่าหักหอกเป็นดอกไม้อะฮแล้วก็เห็นเรื่องของจารย์กําพลนะคะ <c oughs> แล้วว่าแค่พลิกมือพลิกมือก็ก็ยังไม่ไม่เข้าใจว่าสร้างจังหวะ น, นะคะว่าพลิกมือก็อ่านไปเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปเจอ แม่อ้วกอมอ่านทุก็ชอบนะคจ๊ะเสร็จแล้วแม่แม่อ้วกเสร็จก็อ่าไปเจอของอุบาสิกาพิคุณแล้วก็เจอหนังสืออาจารย์เนี่ยสุดท้ายเอ่เรื่องสาคัญนี่สุดท้ายก็เลยเอ๊ะทาไมเรามาเจอพิกอะไรเนี่ยก็ทํานะคะนั่งทําเองในหนังสือนะคะทําทำครั้งแรกก็ผิดอทําไม่แช่อกบางทีมาที่หัวใจบ้างอะไรเนี่ยนะคะ แล้วก็พอดีพี่ทิพมาพี่ทิพก็ทําก็นึกในใจเอ๊ะทําไมบังเอิญบังเอิญบังเอิญบังเอิญหลาย อ, อย่าง<อ>แล้วพอพี่ทิพชวนมาก็อืพูดตรงๆนะคะว่าครั้งแรกก็เกรงใจนะคะที่มา<อ>ว่าเออมาเป็นเพื่อนพี่แต่ที่จริงพี่ก็คงต้องการพาเรามานะคะว่าเรามาสังเกตการดูนะเราคงไม่ไม่ไม่ไมอยากทําเพราะว่าว่าเราก็ยังมีความเชื่อทางทางศาสนานู่นนะคะ แล้วก็มาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาทีนี้สิ่งที่เป็นแรงที่ทําให้มีความเทียนนะคะคือคื อ, ค, อคิดว่าถ้าไปปฏิบัติกับท่านที่บ่อน้ําร้อนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอะไรมากเพราะว่าอาจจะทําเรื่อยๆออแต่นี้คิดถึงพระคุณท่านที่ที่มาเนะะ <c oughs> ี่ยคิดมากเะะ <c oughs> พเราะแต่ละเพราะว่า มามาคือพูดง่ายว่าโปรดสัตว์มาถึงที่ค่ะก็ยังไงก็พยายามที่สุดเลยค่ะเพราะว่าช่วยสำนึกความเมตตาที่จะมาช่วยนะนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะจัดสรรตามภาษาของเรานะธรรมะจัดสรรคือธรรมะและบุญของเราเนี่ยมันมีพอเขาก็จัดสรรให้เป็น คือนังสือไม่น่าเจอค่อยเจอเราก็เจอหนังสือที่แจ่มจังเลยนะเนี่ยหลับไม่ใคยหลับตาหยิบมันเยอะมากนะคะแล้วก็อ่านก็มามาจากที่ที่อาจารย์กำพลว่าขอลาออกจากความทิ่การก็แยกไกลกับจิตอาจารย์ทั้ง แ, แม่อ้วก็บอกว่ากายเนี่ย จิตนี่มันําให้กายลำบากล้วเกินคือเอ้ยูเหมือนกันเลยทำไมมันแยกคือเราก็ทุกข์เราก็อยากแยกจิตก็สันก็เลยปิ้งนะครับพุทธศนสาวัยรุ่มันเกิดะเราต้องฮก็เรียวมีพื้นปอวันที่ได้ตรงนั้นจะโดยถือว่าธรรมะจัดสรรั่นเนาะให้เป็นไปอันนี้ก็เร้บุญวาสนาก็ขออนัทนาสาธุในความตั้งใจ นั้นวันนี้ก็จะเวลาเล่นหน่อยก็เวลาวันทุกท้ายเนาะก็ก็เหมือนว่าโยมมลิษาไม่ได้มาบ้านแกนานแล้วแกกันมีหมดมาเยี่ยมท่นเองแต่บ่งเอิญโยมมีบุญไดมารวมด้วยอก็ได้แวะมานานอยมได้มีบุญเด้มาร่วมด้วยอย่างโยมพิมพาก็อยากมาหลายเที่ยวแล้วแต่ไม่ได้มาสักทีพอดีมาเที่ยวนี้หลายๆอย่างก็มาประจุเผาะกันก็ทําให้เราได้มายงแกนาใครเลอะ อาเดว่าแม่ไม่ธรรมะมันจัดจัดแผนเด <c oughs> ิจ า, <c oughs> จานทภัยก็ไม่เคยมามาครั้งแรกก็เลยก็อยากจะพามาเยี่ยมทางนี้นก็ขอบูรนาบุญทุกคนที่ได้ตั้งใจแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาสั้นๆแต่ว่ามีคุณภาพมากก็ขอให้เอาสิ่งวิเศษที่เราได้จากงานวันนี้ไปพัฒนา พระธนูบำรุงให้เป็นชีวิตของเราแล้วเราก็จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งนั่นจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระเจ้าเป็นสิ่งอะไรก็ตามถือว่ามีผลต่อการมาพบปะของเราคือการบันดาลของสิ่งที่มีอํานาจหลายๆอย่างทําให้เรามาพบกันแล้วก็ได้ผลสิ่งนี้ก็ขอให้เรารักษา ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นเสมืนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดนี้ให้ติดกจยติดใจใเข้มแข็งขึ้นด้วยกันทุกคนทุกท่าน